เจ็ดสปานะกกวักหกเอยสัทธสิกขาบทว่าด้วยการเดินทางไกลร่วมกับพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรเรื่องภิกษุรูปหนึ่ง 407. สมัยนั้นพระผูม้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพ่อค้าเกวียนกลุ่มหนึ่งต้องการจะเดินทางจากกรุงราชคฤไปถิ่นย้อนแสง ภิกษุรูปหนึ่งได้กล่าวกับคนเหล่านั้นดังนี้ว่าอัตมาจะเดินทางร่วมไปกับพวกท่านพวกพ่อค้าเกวียนกล่าวว่าพระคุณเจ้าพวกกระผมจะเลี้ยงภาษีขอรับเจ้าหน้าที่เก็บภาษีทราบข่าวว่าพวกพ่อค้าเกวียนจะเลี้ยงภาษีจึงดักซุ่มในหนทางครั้นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีจับพวกพ่อค้าเกวียนหมู่นั้นรีบของแล้วได้กล่าวกับภิกษุนั้นว่า พระคุณเจ้าถ้ารู้อยู่เหตุไรจึงเดินทางร่วมกันกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรเล่าแต่ส่วนแล้วปล่อยไปครั้งภิกษุนั้นไปถึงกรุงสาวัดถีจึงแจ้งเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายทราบบรรดาภิกษุผู้มากน้อยพากันตําหนิประนามโจรทนาว่าฉนัยภิกษุรู้อยู่จึงชักชวนกระเดินทางไกลร่วมกันกับกลุ่มพ่อค้าเกวียนผู้เป็นโจรเล่าครั้นภิกษุทั้งหลายตําหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วจึงนําเรื่องนี้ ไปกลาบทูลพระผู้มีพระภาคให้สงสาราบ